ให้แก่จิตใจเพราะพลังของจิตใจนี้มีความสำคัญมากต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีพลังมีกำลังใจแล้วจะสามารถรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได่ายป่วยก็ดี คามตายก็ดีการพัดพลาบจากการก็ดีหรือภัยพิบั ต, ติต่างๆก็ดีจะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีพลังที่มีกําลังใจจะมีพลังมีกําลังได้ก็ต้องมีคุณธรรม5ประการด้วยกันที่จะทําให้ใจนี้มีพลังมีกําลังที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆ คุณธรรม5ประการนี้คือ 1. ศรัทธา 2. สติสวิรยิยสีสมาธิและ 5. ปัญญานี่คุณธรรม5ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญทรงได้เจริญอย่างเต็มพทยแล้วจะไม่ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพระองค์พระสาวกก็เช่นเดียวกันได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้มีพลังที่จะต่อสู้ที่จะรับกับเหตุการณ์ที่โลกเราหวั่นไหวกันได้อย่างไม่มีความหวั่นไหวแต่อย่างใดเราก็จะสามารถรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่พวกเราหวาดกลัวกันได้อย่างไม่สะทกสถทานไม่หวั่นไหวถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง5้าประการนี้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การเสริมสร้างคุณธรรมทั้ง5้าประการนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆภายในใจของเราถ้าเรามีเต็มที่แล้วใจของเราจะไม่ว่าววุ่นขนบัว จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ดีหรือเกิดขึ้นกับคนที่เรารักก็ดีหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตามจะไม่เป็นปัญหาใจอย่างใดนี่คือพลังของใจเริ่มต้นที่ศรัทธาความเชื่อให้เชื่อในให้เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เชื่อในกัะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเชื่อในความรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในความรู้ของพระอริยสงสาวกเชื่อในการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกว่าเป็นผลที่จะทำให้ใจนี้อยู่เหนือสิ่งต่างๆได้ไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวมไม่สะทกสะท้าน กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อในคำสอนที่สอนให้พวกเรามีวิริยะคือความภาคเพียรให้เราขยันเพียรปฏิบัติเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาเราก็จะมีวิริยะความภาคเพียร เมื่อเรามีวิริยะความภาคเพียงเราก็จะเพียรเจริญสติพอเราจเจริญสติได้แล้วเราก็จะสามารถนั่งนั่งทำนั่งสมาธิดาเวลานั่งจิตก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วพอเรามีสมาธิแล้วเวลาออกมาจากสมาธิเราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้สามารถพิจารณาความจริง ของสภาวธรรมต่างๆได้เมื่อมีปัญญาแล้วก็จะสามารถปล่อยวางได้สามารถแยกแยะใจให้ออกจากสภาวธรรมทั้งหลายได้ให้ออกจากสิ่งต่างๆได้ไม่ไปยึดไปติดกับเขาเมื่อไม่ไปยึดไปติดกับเขาเขาจะเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของการ มาเสริมสร้างพลังให้แก่ใจด้วยคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ศรัทธานี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคาสอนศึกษาพระพุทธประวัติหรือฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่าเสมออย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันวันนี้การฟังเทศฟังธรรมจะทาให้เราเกิดมี มีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ตรงกับความจริงเป็นคําสอนที่เราสามารถพิสูจน์ได้เป็นคําสอนที่ไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ได้หมายความว่าพอพระพุทธเจ้าตายจากเราไปแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าจะหมดประสิทธิภาพไป แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกคือใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเรานําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่ต้องลังเลสงสัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นการเจริญสติการเจริญสมาธิ การเจริญปัญญาจะทำให้ใจของเรานี่ไม่ไว่าไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่เพราะพระพุทธเจ้าได้ได้ได้ทำมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปอย่างไม่มีความสะทกสะท้านพัสไทยพวกเราก็จะสามารถผ่านไปได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีความเชื่อ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุ่มเทเวลาจิตใจของพวกเราให้อยู่กับการบําเพ็ญด้วยการปฏิบัติอย่างอย่างต่อเนื่องด้วยความภาคภีณด้วยวิริยะนี่เองถ้าเรามีความเชื่อถ้าเรารู้ว่าปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่การขาดกําลังใจทุกวันนี้ที่พวกเราอยู่กันนี้ มีความวุ่นวายใจมีความเดือดร้อนใจมีความท้อแท้ใจมีความเบื่อหน่ายมีความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆก็เป็นเพราะว่าใจของเราไม่มีกำลังนั่นเองเวลาไปประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจก็อ่อนปวกเปียกไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไป และเราจึงต้องมาเสริมกําลังใจของเราด้วยการสร้างศรัทธาความเชื่อด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือก็ดีการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีหรือดูรายการธรรมะต่างๆก็ดีดหล่านี้จะทําให้เรามีความเข้าอกเข้าใจ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีขึ้นพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิรยิยะความอุตสาหภากเพียรที่จะพยายามปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญนั่นก็คือสติสมาธิและปัญญา การเจริญสตินี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวัดเพราะสตินี้อยู่กับตัวเราตลอดเวลาเหมือนเงาตามตัวเราเราอยู่ที่ไหนเราสามารถเจริญสติได้การเจริญสติก็คือการดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมานั่นเองไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ ถ้าเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้ใจอยู่กับการรับประทานอาหารอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติคือใจลอยถ้าใจมีสติแล้วใจต้องเป็นเหมือนเรือที่ทอดสมอจะไม่ลอยไปตามกระแสน้าใจถ้ามีสติก็จะไม่ลอยไปตามกระแสอารมณ์ต่าง ที่จะมาชวนให้ใจไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ปกตินี้ส่วนใหญ่พวกเราจะไม่ค่อยมีสติกันเวลาเราทำอะไรจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องด้ อ, อยู่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แวึบแล้วเดี๋ยวเราก็ไปละไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาถ้าอย่างนี้แล้วเรียกว่าไม่มีสติพอไม่มีสติเวลาจะทำสมาธิ ก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดึงใจให้หยุดจากความคิดปรุงแต่งได้ดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลา ต, ตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นก็ให้ตั้งสติก่อนให้รู้สึกตัวว่าต่อไปนี้เรากาลังจะทาอะไรเช่นเรากาลังจะลุกขึ้น กำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำกำลังไปล้างหน้าล้างตากำลังแปรงฟันถูฟันอาบน้ำให้เรามีสติอยู่กับงานนั้นอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะไปทำในวันนี้ก็ดีหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในวันก่อนก็ดีอย่าไปคิดให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน ผ้าหวีผมแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าก็ให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่เท่านั้นอย่างนี้เรียกว่ามีสติพอมีสติแล้วทีนี้มันก็จะควบคุมใจได้ควบคุมความคิดของเราได้ถ้าเราไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ได้ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไป ทำอะไรก็ให้คิดแต่คําว่าพุทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พุทโธพุทโธไปอาบน้ําก็พุทโธแปลงฟันก็พุทโธแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมก็พุทโธพุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธขับรถไปทํางานก็พุทโธขณะที่ทํางานอยู่ก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจก็จะตั้ง อยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในเหตุการณ์ที่เรากำลังทำอยูไม่ลอยไปลอยมาพอเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็หาที่สงบหามุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งทําสมาธินั่งหลับตาขัดสมาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือจะทำทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่ความถนัดจะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมหายใจแล้วก็ว่าพุโทโธไปด้วยก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอันนี้แล้วแต่ความถนัดถ้าเรารู้สึกว่าอันไหนมันไม่ถนัดกับเราเราก็เปลี่ยนลองใช้อันที่ถนัด บางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้บางคนชอบดูลมไม่ชอบไม่ชอบอบริกรรมพุทโธก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้บางคนก็ชอบทั้งสองอย่างหรือบางคนชอบสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ารู้ว่าอยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนส่วนบทที่เราจำได้ไม่ต้องออกเสียง สวดไปภายในใจนั่งสมาธิแล้วก็สวดวนไปสวดจนเรารู้สึกว่าเย็นสบายแล้วอยากจะหยุดสวดก็ลองดูสังเกตนะว่าใจเราไปคิดเรื่องต่างๆหรือไม่ถ้าไม่คิดก็ดูลงต่อไปดูลงหายใจเข้าหายใจออกแล้วไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบเวลาลวมลงนี้ใจก็จะเหมือนตกหลุมตกบอ่อ มันจะวบิบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็สบายจะไม่วะจะไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรตอนนั้นจะอยู่เฉยๆใจเป็นอุเบกขามีความสุขมากมีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พอได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วก็จะเกิดศรัทธา ที่อยากจะทำให้มีความสุขอย่างนี้มากขึ้นไปแต่เนื่องจากใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงต้องออกมาหลังจากที่อยู่ได้ระยะหนึ่งขั้นต่อไปถ้าอยากจะรักษาความสงบของใจก็ต้องเจริญปัญญาปัญญาก็คือการศึกษาธรรมชาติหรือศึกษาสิ่งต่างๆ ที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี่คือสิ่งที่ใจที่พวกเราไปเกี่ยวข้องกันเราต้องศึกษาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีมาและมีไปได้มันไม่ใช่จะอยู่กับเราเสมอไปมันดีคืนดีมันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะมันไม่เทีย่ยงมันมีเจริญนั้นมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราต้องเตือนใจเราไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเวลาสิ่งต่างๆจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแนละ้วว่ามันจะต้องไปถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าเราอาจจะเผลอไปคิดว่าจะอยู่กับเราไปนานๆานจะเป็นของเราไปตลอด แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่เขาต้องจากเราไปเราก็จะต้องเสียใจต้องทุกข์ทรมานใจและในขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความไม่มั่นใจมีความหวาดกลัวว่าเขาจะจากเราไปนั่นเองแต่ถ้าเราตรงลงไปเลยว่าเขาต้องจากเราไปแน่นอนเราไม่ควรที่จะไปยึดไปติดกับเขา ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นการงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เราอยู่ด้วยเช่นสามีภรรยาของเราบุทิดาของเราบิดามารดาของเราเป็นต้นเราต้องเตือนสติต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ไว้ลับกับเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนถ้าเราเตรียมตัวแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนพอรู้ว่ามันต้องเกิดนั่นเองและเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะทุกข์ทรมานใจและอาจจะไม่มีกำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไป แต่การที่เราจะเจริญปัญญาได้นี้เราต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิใจของเราจะถูกกิเลสตัณหาดึงไปให้คิดเรื่องอื่นให้ไปคิดถึงเรื่องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้มาแล้วก็จะให้อยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปมากๆ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นเป็นทุกข์เขาทำให้เราทุกข์ใจเรามีอะไรเราก็จะเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์เช่นตอนนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องทุกข์เหมือนกับคนที่เขาอยู่สองคน คนอยู่สองคนเขาก็ต้องทุกขกับคนที่เขาอยู่ด้วยถ้าเขารักกันเขาก็ต้องกำวลห่วงใยกันแล้วเกิดเวลาเขาจากกันไปเขาก็จะต้องทุกข์ใจกันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเพราะเราไม่มีอะไรจะมาทุกข์ด้วยนั่นเองดังนั้นเราจึงควรพยายามอย่าไปมีอะไรให้มากจนเกินไป อยู่แบบไม่มีนี่จะมีความสุขมากกว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะจะต้องมีความกังวลมีความห่วงใยมีความเสียอกเสียใจกับสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายใจไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆความจริง คนเรานี้อยู่แบบไม่มีอะไรนี้อยู่ได้คือมีเท่าที่จำเป็นเช่นมีปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีที่ที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรอีกแต่ใจเรามันหยุดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ นอกจากมีปัจจัยสี่แล้วยังอยากจะได้สิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขมากขึ้นไปนั่นเองแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงเพราะพระพุทธเจ้าได้พิจารณามาแล้วว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามจะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนสู้ไม่มีดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวัง ย ม, มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมากมายแต่ก็มีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยมแท้แน่นอนบางวันเวลาที่ไม่ได้สัมผัสได้เสกก็จะเกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าช่อยหน่อยหนงขึ้นมา ดังนั้นพระพธเจ้าจึงทรงสละราชสมบัติแล้วออกไปอยู่ตามลำพังในป่าในเขาเพื่อที่จะตัดความอยากต่างๆอันเป็นต้นเหตุที่จะผักใจให้ไปหาความทุกข์ต่างๆนั่นเองเวลาไปอยู่ในป่าในเขาก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาและเวลามีสมาธิแล้ว ก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความทุกข์พิจารณาความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายไปก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ ดินน้ำมไฟในร่างกายก็จะแยกทางกันไปน้ำก็จะไหลออกมาลมก็จะระเหยออกมาไฟก็จะหายไปเหลือแต่ดินทิ้งร่างกายไว้ต่อไปก็จะแห้งกรอบแล้วก็กลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายของพวกเราไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือคือใจผู้รู้ที่มา ได้ร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวแต่ใจมีความหลงก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็เกิดอาการตกใจขึ้นมาเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเพราะไปคิดว่าใจกำลังจะเป็นอะไรตามร่างกายไปด้วยนั่นเองแต่ความจริงแล้วใจไม่ได้เป็นอะไรใจเหมือนคนดู ร่างกายเป็นเหมือนคนที่อยู่ในจอหนังคนที่อยู่ในจอหนังนี่ถูกยิงตายไปคนดูก็ไม่ได้ตายไปกับคนที่อยู่ในจอหนังแต่ใจไม่รู้ว่าร่างกายกับใจนี้อยู่คนละที่กันอยู่คนละส่วนกันไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนสองคนร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นคนหนึ่ง ใจเป็นคนสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้ร่างกายเดินไปที่นั่นเดินไปที่นี่ให้รับประทานอาหารให้ดืม่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆให้ดูให้ฟังนี่เป็นการสั่งของใจให้ร่างกายทำตามคำสั่งร่างกายถ้าไม่มีใจสั่งก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ก็จะยุ่นั่งอยู่เฉยเหมือนคนตาย คนตายนี้ไม่มีใจสั่งแล้วใจได้ทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วใจไปหาร่างกายอันใหม่ตามความหลงตามความอยากต่อไปออนี่คือปัญญาที่เราจะต้องพยายามพิจารณาให้เห็นให้ได้วิธีจะเห็นได้ก็คือต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เปรียบเทียบอย่างที่ได้เปรียบเทียบให้มองว่าร่างกายนี้เป็นเพียง ภาพในจอหนัง้นภาพในจอโทรทัศน์สนใจเป็นผู้นั่งดูร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทาอะไรต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจใจจึงไม่จำเป็นจะต้องไปทุกข์กับมันร่างกายจะเจ็บปวดอย่างไรใจไม่ได้เจ็บปวดด้วยร่างกายจะแกะ่ใจก็ไม่ได้แก่ด้วยร่างกายจะตาย ก็ไม่ได้ตายไปกับใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแนละ้วต่อไปเราก็จะเห็นภาพชัดเราก็จะแยกใจออกจากกายได้พอเราแยกใจออกจากกายได้แล้วต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่วุ่นวายใจนี่คืออำนาจของปัญญาที่จะทำให้เราเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลายได้เห็นกันท่านใจของท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆก็ดีเพราะท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นท่านเป็นเหมือนคนดูส่วนเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนจอภาพยนตร์คนดูไม่ได้เป็นอะไรไปดูภาพยนตร์นั่งภาพยนตร์กขามี เรื่องของภัยพิบัติต่างๆมีระเบิดนิวเคลียรย์ระเบิดมีเครื่องบินตกมีพายุมีมีอะไรต่างๆก็ดูไปเท่านั้นเองคนดูก็ดูไปเท่านั้นเองคนดูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆใจเราเพียงแต่ดูเหตุการณ์ต่างๆผ่านร่างกายนี้ อาศัยร่างกายนี้เป็นผู้รับรู้เหตุผู้ส่งเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาสู่ใจเช่นตาของเรานี้ก็เป็นเหมือนกล้องกล้องนะส่วนหูของเราก็เป็นเหมือนไมโครโฟนกล้องก็ถ่ายภาพเข้ามาสู่ใจหูก็รับเสียงเข้ามาสู่ใจนะจมูกก็รับกลิ่นเข้ามานิ้นก็รับรสเข้ามา ร่างกายก็รับความรู้สึกต่างๆเช่นความร้อนความหนาความแข็งความอ่อนที่มากระทบกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รับรู้ที่ที่ส่งข้อมูลต่างๆรับข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งไปให้ใจผู้รู้เท่านั้นเองผู้รู้คือใจที่สั่งการให้ร่างกายทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ เวลาร่างกายร้อนก็สั่งให้ร่างกายไปอาบน้ำเวลาร่างกายหนาวก็สั่งให้ร่างกายหาหาผ้าห่มมาใส่เวลาแดดจ้าก็ให้ใส่แว่นตากับแดดอันนี้ใจเป็นผู้สั่งถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งร่างกายเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเพราะร่างกายนี้ไม่มีความฉลาดเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ที่จะต้องให้ผู้บังคับหุนเป็นคอยเป็นคนคอยสั่งว่าให้ทำอะไรบ้างอย่างหุ่นกู้ระเบิดเวลาที่เขาต้องกู้ระเบิดแล้วเพื่อไม่ให้คนต้องไปถูกระเบิดก็เขาก็ส่งหุ่นเข้าไปแทนหุ่นก็มีกล้องมีไมโครโฟนรับเสียงคนที่ควบคุมหุ่นก็อยู่อีกที่หนึ่งที่ปลอดภัย เกิดเวลาอะไรมีผิดพลาดขึ้นมาแล้วเกิดระเบิดระเบิดตูมขึ้นมาคนที่ควบคุมระเบิดคนที่ควบคุมหุ่นยนต์ก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นเพียงแต่หุ่นที่ไปกู้ระเบิดเท่านั้นเองร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นเพียงหุ่นตัวหนึ่งส่วนใจนี้เป็นเราเป็นผู้ที่คอยสั่งการให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆ ให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วก็ให้แล้วก็ต้องสูญเสียไปในที่สุดเวลาร่างตานี่ตายไปใจก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยเอาสามีไปก็ไม่ได้เอาภรรยาไปก็ไม่ได้เอาบุตรเอาธิดาไปก็ไม่ได้เอาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปก็ไม่ได้ไปไม่ได้เลยทักอย่างเดียวได้แต่บุญหรือบาปเท่านั้นที่จะเอาไป คือกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจถ้าบุญก็คือกำลังใจที่เรากำลังกำลังศึกษากันอยู่นี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าเราไม่เจริญเราก็จะไปแบบไม่มีกำลังไปแบบความนุ่มหลงไปแบบมืดบอดไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ แล้วก็ต้องไปทุกข์กับพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปพอได้ร่างกายใหม่มาก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายใหม่เหมือนกับที่พวกเรากำลังทุกข์อยู่กับร่างกายอันนี้เพราะพวกเรายังไม่มีกำลังใจยังไม่มีปัญญาที่จะสามารถแยกแยะตัวเราออกจากร่างกายนี้ได้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความจริงตัวเรานี้คือใจใจที่ไม่ตาย ใจที่ไม่เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติไปมันจะปล่อยวางร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็จะไม่เดือดรอ้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่เดือดรอ้อน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ร่างกายได้ไปหามาใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของจริงของแท้นั่นเองเป็นเหมือนภา พ, พยนตร<ม>์ภาพภาพที่เราเห็นในจอนี้เองมันไม่ใช่เป็นของจริงแต่เราไปหลงกับมันคิดว่ามันเป็นของจริงนี่คือ ปัญญาที่จะทำให้ใจของเรามีความกล้ า, าหาญมีความแข็งแกร่งมีความอดทนอดกลั้นมีความมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่เป็นใจใจไม่ได้เป็นอะไรใจเป็นเพียงคนดูเป็นผู้ดูผู้รับรู้เท่านั้น เหมือนกับเราไปดูหนังในในโรงภาพยนต์พอหนังจบเราก็ออกมาใจก็เป็นอย่างนี้พอหนังจบก็คือร่างกายนี้ตายไปใจก็ออกจากโรงภาพยนต์ไปถ้ายังหลงอยู่ก็ไปหาโรงภาพยนต์โรงใหม่เข้าไปดูหนังเรื่องใหม่ต่อไปถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่เข้าโรงไหนแล้วเช่นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์พระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านไม่หลงกับ ภาพหลอนภาพหลอนในในโรงภาพยนตร์แล้วท่านก็ไม่กลับไปดูอีกท่านท่านอยู่ของท่านอย่างสบายใจดีกว่าไปดูแล้วก็ต้องไปวิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นมัวทุกทรมานใจกับภาพต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้กันนี่คือเรื่องของการสร้างปัญญะสร้างกำลังให้แก่ใจของเรา ถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้อยู่ในใจแล้วใจของเราจะมีแต่ความมีแต่ความมั่นคงไม่ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามสร้างคุณธรรมทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรม แล้วก็วิทยะคือด้วยการภาคเพียนปฏิบัติตางคำสอนที่สอนให้เจริญสติให้เจริญสมาธิและให้เจริญปัญญาพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะทานแม้จะเกิดภัยพิบัติเกิดระเบิด น, นิวเคลีย มีทำให้โลกแตกไปก็ตามแต่ใจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะจะเป็นเหมือนกับการดูภาพพยนต์นั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างกำลังใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา